คำนีที่โลภะเนี่ยอาทิโมกตัวนี้ที่ตัดสินใจเชื่อเพราะมีโมหะนําหน้าเมื่อมีโมหะนําหน้าก็เลยไม่พิพจารณาไม่เข้าใจตั้งแต่ชั้นทานไปแล้วไม่เข้าใจชั้นศีลด้วยไม่เข้าใจในชั้นของภาวนาอย่างถูกต้องด้วยโดยเฉพาะก็คือไม่เข้าใจคําสอนของพระเจ้าอย่างท่องแท้เมื่อไม่เข้าใจคําสอนอย่างท่องแท้เบเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวมิจฉาทิโมกเหล่านี้ ก็เลยไม่ไม่พร้อมที่จะรับข้อมูลแนละมันกลายเป็นความมืดบอดเพราะมีโมหะนําหน้าก็เลยไม่วิจัยไม่พิจารณาให้เป็นไปตามหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นตัวมิจฉาทิโมกเหล่านี้เลยกลายเป็นเป็นเชื่อและผิดและเอาความเชื่อไปตั้งไว้ที่ตัวบุคคลท้ำคัญ น, นะไอตัวมิจฉาทิโมกเนี่ยพอรักและยึดติดที่ตัวบุคคลคิดว่าท่านคนนี้อ ท่านผู้นี้เป็นอาจารย์ของเราท่านผู้นี้กล่าวถูกต้องแล้วไม่สามารถเอาอาจารย์เป็นสะพานเดินเข้าหาพระรัตนตรัยได้จริงเพราะโมหะมันปิดแล้วก็เอาความเชื่อไปยึดติดไว้ที่ตัวบุคคลไะแล้ว mm. ก็เลยกลายเป็นเข้าถึงพระรัตนตรยัยไม่ได้ส่วนศรัทธาเนี่ยเห็นไหมส่วนศรัทธาเนี่ยเป็นตัวกําจัดกําจัดไอ้ตัววิจิกิจฉาด้วยนะ คือมีปัญญานำหน้าศรัทธานี่มีปัญญานำหน้าท่านขับเน้นในการเข้าใจกรรมและผลของกรรมและตั้งมั่นในในพระ t h a n a ไตรเขาเรียกว่าสัตยวัตถุวัตถุที่ควรเชื่อตั้งมั่นที่พระ t h a n a ไตรแปลว่าตั้งมั่นที่พระพุทธรัตนธรรมารถน า, ถ า, นาสังครัตนะไม่ใช่บุคคลนะให้สังเกตนะไม่ใช่บุคคลบุคคลใดกล่าวตรงพระรัตน a ไตร กล่าวตรงพระพุทธเจ้ากล่าวตรงคําสอนพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามสังครัตนะคือรัตนะอันประเสริฐเราเชื่อเราเชื่อท่านผู้นั้นแต่จริงๆแล้วเราเชื่อมั่นพรนะรัตนาไตรต้องให้เข้าใจก่อนนะว่าเหมือนอมาแสดงธรรมมาเอาคำสอนพระเจ้ามากล่าวมาแสดงถ้าเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเราสามารถพ้นจากวัฏทุก์ได้ ขับเน้นทานศีลภาวนาเดินไปได้จริงๆออกจากบาปอกุอกศลธรรมอลามกได้อามาเป็นพลผู้กล่าวพระธรรมของพระพุทธเจ้าคนที่ดึงท่านทั้งหลายเราทั้งหลายขึ้นจากหลมจากโคลนจากความเห็นผิดให้เข้ามาหาความเห็นที่ถูกต้องนั้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสามีเป็นเจ้าของธรรมเห็นไหมถ้าศรัทธาหรือที่มีปัญญานําเนี่ยอันนี้ชัดเลย แต่ถ้าหาว่าศรัท ธ, ธาที่เป็นอธิโมกนิชขาทีโมกที่มีโมหานำน่ะยังไงก็เกาะติดไม่ถึงพระรันาตนตรัยจริงเห็นไหมไม่ถึงพระรันาตนตรัยจริงที่สุดจริงๆก็เป็นไปกับความงมงายแล้วจะเห็นชัดเลยว่าเริ่มงม ง, งายเชื่อมงคลตื่นคาวไม่เชื่อกำไม่เชื่อมงคลก็ไปทั่วเลยเดยวนี้น่ะเข้าแก้บนบนตัวกลัวภัยไปทั่วเลย มันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปไปเรียบร้อยลเลยนะข้าวนะข้าก็มีเรื่องเจะปฏิบัติน ะ, จะเจริญกรรมฐานกันอยู่ดีๆขอตรวจดวงชะตาหน่อ ย, อยนี้เปน็นตัวนี้มันจะไปเา ง, งานินเ ง, งินนั้นจะไปมุมนั้น่ละลักษณะนี้เรียกว่ามิจฉาที่โมกกินแล้วมุ่งไม่มั่นคงในพระัตนมตรัยนี่ไปไปมาจะนั่งกรรมฐานหน่อยขอเขย่าเซียนซีหน่อ ย, ยนี่ับ เออแปลกเอาความเชื่อไปไปไปเชื่อไว้ความกังหันใคเห็นไหมเออมีสองสองอันนะบางคนเนะความกังหายออกมาก็ไปนั่งแปลกใจ จ, จริงๆนะทีความกังหายมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนเนี้ยเออความกังหายอ่ะแปลกมากและและไม่ใช่เฉพาะคนไทยอยอมแม้คนจีนทั้งประเทศเขาก็กระเความหงายมาจากกินนะเออแปลกแล้วไปเห็นฝรั่งโยนกับเขาด้วยอ อันนี้ไปไกลแล้วไปไกลแล้วเออแปลกเอาชีวิตไปฝากไว้ความหมายความหมายเนี่ยดูที่เนี่ยนี่ศรัทธาออกแล้วนะเนี่ยออกจากพระัตนะตรัยแล้วแต่นี้ก็ดึงกลับเลดึงกลับเลยมีคําถามถามว่าคนที่ฆ่าตัวตายมีคํามสงสัว่าเป็นบาปอยากทราบว่าบาลักษณะใดเพราะว่าบางคนกินยานอนหลับแล้วก็หลับไปนิพพานอะไรคืออย่างนี้ ไปดูไปดูโทษของปาณาธิบดีเขาเรียกว่ากําไรที่ได้จากการทําบาณาธิบดีเขาเรียกเป็นกําไรเป็นกําไรที่ได้จากการฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์มนาะก็คือว่าโอถูกฆ่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นะหมายว่าโอ้ยตกนรกมาไม่รู้เท่าไหร่ถ้าได้ามาเกิดเป็นมนุษย์กรรมที่จะให้ผลในประวัติการจะต้องถูกฆ่าถูกเบียดเบียน หรือไม่ถูกฆ่าไม่ถูกเบียดเบียนก็จะต้องฆ่าตัวตายเห็นไหมอัธยาสัยที่สั่งสมจากตนเองที่เคยฆ่าเคยเบียดเบียนสัตว์ลังแกะสัตว์มาตามประเภทนี้ก็ฝังแน่นในกำมลสนั่ดานในกระแสะของขันพอมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นก็มีปัญหาก็าอยากจะฆ่าตัวตายคิดดูหน่อยนะชีวิตเราเนี่เจอแต่ทุกข์เจอแต่ปัญหาเจอแต่อุปสรรค อ, อยู่เลยฆ่าตัวตายดีกว่า ไอ้ใจที่น้อมในการที่ตัดรอนรูปประชีวิตนามปชีวิตของตนเองให้ขาดเนี่ยตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการเคยทํากรรมเกี่ยวเรื่องปานาติบาตเมื่อถ้าถามบอกว่ า, เ, าเรากินยานอนหลับใช่ไหมมันจะมันจะไปบาปได้ไงใช่ไหมคือต้องบอกว่าไม่ทรมานไม่ทรมานบาปบาปไม่ได้เกี่ยวกับทรมานหรือไม่ทรมานนะบาปจริงๆเมื่อการตัดรอนรูปประชีวิตและนามปชีวิตของนั่นการฆ่าตนเองเนี่ยถามว่าเป็นบาปไหมก็ต้องเป็น ถึงแม้ถึงแม้ไม่ได้จัดในองค์ของนนบาลาิบาข้างนอกก็จริงแต่มันเป็นผลสืบเนื่องถ้าเกิดเป็นถ้าถามบอกว่าถ้ากรรมเหล่านี้ให้ผลเราจะคิดยังไงดีกว่าใช่ไหมเราเคยทํากรรมเหล่านี้มาเยอะนี่หลายคนเคยคิดฆ่าตัวตายเชื่อที่นั่งต้องมีเคยคิดต้องเคยคิดไม่อย่างน้อยต้องมีสักคนสองคนเลยที่เคยคิดฆ่าตัวตายถามว่ากรรมอะไรมาที่เป็นเหตุทําให้เราคิดฆ่าตัวตายเพราะกรรมจากปาณติบา เราจะตั้งท่าทียังไงเมื่อความคิดเหล่านี้กรรมมันมาให้ผลทางนมามธรรมอภิสวรกรรมคือปาณาติบาตมันทําให้ความคิดเอาวิบปริบก็ตั้งท่าทีให้ถูกว่าเราเคยทํากรรมประเภทนี้มาแต่เราจะไม่ยอมให้ความคิดเหล่านี้วิบปริบเราจะสมาทานอย่างมั่นคงเราจะไม่ทําบาปคือเกี่ยวกับเรื่องของฆ่าบุคคลอื่นแม้ตัวเองเราก็จะไม่ฆ่าด้วยฉะนั้นเราจะตั้งมั่นในคําสอนของพระบรมศาสดาถึงแม้จิตใจจะ อ่อนแอในขนาดนั้นแต่เราจะอภรัตรตนะไตรเป็นสาระเป็นที่อพึ่งอย่างจริงจังและปัญหาอุปสรรคใดๆจะเกิดขึ้นเราก็จะไม่กลัวแล้ว แล้วเพราะกายและจิตใจของเราท่านเราถวายมอบกายถวายชีวิตแด่ดพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นบาปห้ามไม่ให้กระทำคำเนี่ยมาจากกรรมคือปนานาติบัติเรานับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมของพระพุทธเจ้าเราปรารถนาจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงฉะนั้นเราจะเดินตามคําสอนเราจะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงเพียรพยายามจะยกจิตออกจากบาปคือคิดฆ่าตัวตาย แล้วก็ใช้สติระลึกถึงพระธรรมคําสอนสามาธิกำ ม, มั่นคงอยู่ในกุศลปัญญาก็ไปเข้าใจกรรมและผลของกรรมจะไม่ทํากรรมชั่วอย่างนี้อีกแล้วก็ตั้งมัน่นเพราะกรรมอกุศลแกรรมมันจะไม่ให้ผลตลอดเวลาหรอกมันให้เป็นระยะระยะเรารู้จังหวะมันก็เบรกมันไว้สิตั้งความคิดตั้งท่าทีให้ถูกไม่คนได้ลยมั้งเหมือนอย่างนี้เหมือนคนจิตใจอ่อนแอ โอ๊ยอยากจะไปผิดศีลอยากจะไปทำต่างๆกรรมมันเบียดเบียนนามาทำเรานี่เราก็ตั้งหลักให้ถูกเอาคุณของพระรัตนตรัยให้มั่นคงในในกระแสของความริงที่หมดเวลาแล้วลอ่าจริงดังนั้นได้เลยเนะวลาไปไหนไะคะรับนนคนอาจารย์เมื่อมีผู้อื่นทำสิ่งอสิ่งใดให้เราเราก็กัราศแต่คนนั้นเขาอายุน้อยกว่าเรา <c oughs> ผิดหรือไม่เจ้าคะแล้วก็จะกลาวคุกคามที่มีคนมาช่วยเหลืออันนี้จะถือว่ากล่าวดั่งเลื่อไปหรือเป่าเจ้าคะก็คือดังที่ได้กล่าวแล้วคาว่าสาทูดยังไม่จําเป็นว่าท่านผู้ทําดีทั้งหลายจะยุ่มากเลยเนอ้อยประเด็นคําว่าสาทูดนั้นเราเห็นกรรมและเห็นผลของการกระทําเพราะบริษัทสาทูดเนี่ยพระบริษัทท่านเห็นการกระทําว่ากุศลกรรมที่ท่านผู้นั้นทําเป็นไปเพื่อ คปลเป็นไปเพื่อประโยชนเย์เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกตัวเองก็สาธุสาธุเหล่านั้นจงเป็นปัจจัยในการพ้นทุกตนเองด้วยนะรู้เหตรุรู้ผลในการสาธุไม่ใช่ว่าการสาธุนั้นไม่ได้คิดว่าคนทํานั้นก็จะอายุน้อยหรือมากใช่ค่ะอาจารย์สองสามคำถามนะค่ะการมีเจตนาสึบสี้เป็นประจำและจําเป็นต้องสมาทานหรือไม่ อ, อ๋การสมาทานคําว่าสมาทานคือการตั้งใจอันเดียวกันคําว่าสมาทานเราไปคิดว่าวิมายังพันเดวิสุขวิสุสขละขณะทายาไม่ใช่ตัวนั้นสมาทานคือการตั้งใจที่จะงดเว้นตั้งใจที่จะงดเว้นจากการฆ่าการรักเป็นต้นเหล่านี้นะการตั้งใจเมื่อไหร่เชื่อวสมาทานเมื่อนั้นฉะนั้นการสมาทานบ่อยๆเป็นสมาทานวิรัตนั้นนะ่ยต่อไปจิตจะแข็งแกร่ง ก็จะเป็นปัจจัยการละ บ, บากอุติโสธรรมอัลามมกเป็นต้นนะคะอีสองสามต่างๆนะคะขอความปรานแะท้อาจารย์อธิบายการให้ทานชนะการให้ทั้งปุญการให้ธรรมะการให้ทานท่านเกียวว่าการให้ทานก็นั่นก็คือธรรมะนั่นเองการให้ธรรมะก็ชนะการให้ทั้งก็คือให้อริยสัจสีเนี่ยชนะม่นะ จะมาให้คนรู้ทุกรู้สมูทไทยรู้นิโรธรู้มรรคคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็ชนะการให้ทุกอย่างฉะนั้นการให้ให้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการเนี่ยให้โหนะให้เหล่านี้เป็นการให้ธรรมะจึงชนะการให้ทั้งหมดมีท่านผู้หนึ่งท่านไปวัดนะคะท่านเกเอาอาหารไปช่อยลงครงเดี๋ยวท่านจะขอพักเกิดพูดสิช่วยบอกนะคะนะ นี่เอิญก็ไปไปเห็นไปเศร้าพระรูปหนึ่งท่านนาอาหารนี้ไปฉันที่ที่ทางของท่านและเร้าแล้ท่านเห็นพระผู้ปฏิบาติธรรมเลยเปลี่ยนนะไปถวายองค์ที่ปฏิบัติธรรมแ้วาว่ต้องการจะถามว่าอะไรคะจะเจ้าของเออใช้ตาปัญานี้ต้องการจะถามว่าอะไรคะเจ้าของอยู่ไหมคะหล่ะเขาเจอที่ไม่พอเยนะเขาเห็นแก่จะม ก, การพิธีการมพระจันทร์ค่ะคือว่าทุกเช้าที่เราไปวัดเราก็เฮี้ยนติดต่อไปตั้งใจไปถวายที่โรงทัวซึ่งมีพะตั้งองอยู่ประมาณสามงค์เลยนะคะ oh. งระงคาษารูปแต่นี้นานๆคร้งก็จะเห็นว่ามีพระบางรูปที่ท่านบินธบาะ แ, แล้วท่านก็บินธบะแล้วท่านกลับมาถึงวัดท่านก็ไม่ได้ไปฉาดที่โรงทัวรไม่ได้ฉัดที่ที่โบงเลยนะคะเพราะฉะนั้น ไปฉันทิบุติของท่านตามที่ท่านบิณฑบาตได้เราก็เลยคิดว่าอาหารที่โรงครัวก็เยอะแล้วเราก็จะถวายรอถวายท่านตอน เ, เช้ า, ชาองค์นั้นที่ท่านจะเดินเข้าบุติท่านเพราะว่าค่อนข้างจะทราบว่าท่านปฏิบัติเคร่งท่านจึงไม่มาฉันดวนก็จะมีข้อสงสัยว่าจิตที่เราตั้งใจทุกเช้าที่เราทําอาหารไปแล้วเราก็ยืน รอจนพระรูปนั้นเดินมาจะเป็นการตั้งจิตที่แบบยึด ม, มั่นไม่ใช่สารพฐานาหรือเปล่าค่ะก็คือคือตรงนี้ก็คือที่จริงที่จริงทานากุศลเนี่ยใน ต, ตรงนี้การตั้งการตั้งจิตก็คือว่าถ้าเราถวายบุคคลเนี่ยมันถวายกันง่ายสำหรับคนด้วยทั่วไปเนี่ยเพราะเราจะตั้งไว้ที่ตัวบุคคล แต่ถ้าเราจะตั้งเป็นสังฆท า, านเนี่ยเราไปเจาะจงเราไม่ได้เลยอย่างนั้นไม่เป็นเลยเพราะเราไปขับเน้นที่ตัวบุคคลเป็นปุคะริกท า, านไปฉะนั้นถ้ากรณีอย่างการให้หรือการสละจริงๆเนี่ยควรปรองใจสละให้ให้ชัดนีควรปรองใจสละให้ชัดแม้มีของไปนี้เจอพระรูปไหนผ่านมาก็น้อมถวายทัน ท, ทีถ้าอย่างนี้ชัดเลย แต่ถ้าไปเจาะจงเบ็ดเสร็จปุ๊บกลายเป็นปกคลิกทานซึ่งอาจเราอาจจะเห็นข้อว่าปฏิบัติของท่านอันนั้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งแต่ถ้าเราปรารถนาจะถวายเป็นสังฆทานอย่างนั้นก็ไม่สําเร็จประโยชน์นั้นก็ต้องตั้งจิตให้เป็นที่สุดจริงๆเราบูชาบรร dna ไตรนะนะบูชาบรร dna ไตรยัยแต่ถ้าเราเลือกเป้นได้อันนั้นก็แต่เราต้องวางใจให้เป็นก็ศึกษา เออในเรื่องของสามทานตั้งจิตให้ถูกนะตั้งจิตให้ถูกในเรื่องของทานกุศลเนื้อนะต่อไปจะเขียนในเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะในรายละอียดต่างๆนี้เวลาหมดการคําถามคุด ท, ทายใช่ใช่ใช่มีผู้ถามว่าในเรื่องของทานว่ามีทานห้าชนิดที่ไม่จัดว่าเป็นบุญมีข้อหนึ่งคือติ๋สีทานานก็เลยนี่เข้าใจว่าแล้วต่างกับการบริจาคภรรยาเป็นทานของพระโพธิสัตว์อย่างไร ถ้าทำดีอย่างก็คืออย่างนี้การการให้หญิงแก่ชายให้ชายแก่หญิงอย่างคนทั่วไปอันนี้ไม่เรียกว่าทานก็คือหมายความว่าให้คนไปแต่งงานกันนี่เป็นทานได้ไงล่ะไม่ใช่เป็นการสละนะเออเขาเขาต้องการผู้หญิงก็หาผู้หญิงให้เขาอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่า้เป็นทานไดงไงน้อมให้เขาปฏิบัติในเรื่องกรรมอคุลให้เขาไป เกี่ยวข้องกับการมาคุณให้หมกมุ่นในการมาคุณไม่เป็นทางอย่างนั้นไม่แทนเหมือนให้ให้โคลเนี่ยตัวเมียแกโคโดผู้ยังไม่เป็นเลยทีย่เป็นได้ยังไงให้เขาผสมพันธุ์กันเนี้ยอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ไม่เด้ประทานแล้วเพราะใจที่สละมันเป็นกุศลที่ไหนละ่ะถ้างั้นโอโ้โหอย่างนั้นแต่งงานกันก็เป็นทากนกุศลกันไปแถวสิ่งนั้นเนี่ยคช่ไหม อันนี้ไเปเราความหาคู่เลยท่านอาจารย์โอยิ่งไปใหญ่เลยตรงนั้นอย่างนี้ไม่เรียกว่าทานเขาเรียกอะธรรมะทานอะธรรมะทานไม่เป็นทานไม่ไมเป็นทานเป็นบาปหมดแล้วเนา ะ, ะเดี๋ยวต่อไปจเจริญ ก, กุศลนิดหนึ่งนึกถึงบา ร, รมีธรรมของพระเจ้าทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีนะแล้วสาธยายตั้งใจในการสาธยายนอบน้อมบูชาคุณของพระเจ้ากรทำแล้วก็ปรส์ ให้ตระหนักในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมปรสอนว่าพ่อมีการตรัสรู้ของทัพผู้มีพระภาคาเจ้าพ่มีการบรมเพญพระจริยาคุณการได้มาซึ่งสริระคุณได้มาซึ่งคุณคุณอย่างมากมายอย่างยิ่งใหญ่อย่างโอฬารเราท่านทั้งหลายจึงได้มีโอกาสมาคังพระธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้รู้ความจริงคําสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เราจะใช้กายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะขับเน้นที่มนโนกรรม นอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสันทบูชานนอบน้อมบารมีของพระเจ้าและลึกถึงบารมีธรรมที่พระบรมศาสดาทรงกระทา ม, มาอย่างต่อเนื่อง เ, เพื่อเราท่านทั้งหลายเจริญกุศลคทานาบา นามิตาเวปาภรณิสัมพันนียติปิโสภาควาสิลาภรานิสัมปันโนศิลาอุปารานิสัมปัน สีลาปารามัตาปามีสัมภันโนเมตตาไมตรีครูนะโมติตาอุเตกาปาราภิสัมภัณฑิติปิโสภาคาวะ s a n o oh. ท่านว่าไม่ได้ว่าตามจริงไหมสัตว์ตว ท, ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนับบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว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 สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสัตั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่ในกเนิดทั้ง4ี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันมีขันห้านมีเียวมีกำลางต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีกำลังต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ เราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถวนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วย ที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่ป เ, ป เ, ยเป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกษม ที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธอสาธุสาธุสาธุบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมาธยายธรรมนี่ะก็การแสดงธรรมตลอดถึงด้วยอานุภาพของคุณของพระรณาไตรพุทธรัตนาธรรมวรรณ า, าสังวรรนาจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราท่านทั้งหลาย เป็นปัจจัยเกือ้อหนุนให้เราด้ทั้งหลายได้มาเป็นฐานกุศลสินกุศลและภาวนากุศลสามารถเดินศีลสมาธิปัญญาออกจากอากศุศลกรรมบดสิทธ์ได้คือการปฏิบาติอธินาทางเป็นต้นสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในอุปจารสมาธิในอัปนาสมาธิทุกระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุตฌานและอรูปฌานทั้งสี่ สามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในวิปัสนาญาณทุกระดับมีอนิจจานุปัสนาเป็นต้นจนถึงปฏินิสคานุปัสนาและไปประชุมศีลสมาธิปัญญาในโสดาปลิตภัณฑ์โสดาปลิตผลสกัดทาคามีมรสกัดทาคามีผลอนาคามิมรสนาคารผลและอาราตะมารสนาถผลจนสามารถได้อนุปาธาปริญญิพานคือการดับทีเล็ดและขันห้าโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยการทุกท่านทุกประการเทอ Thank <laughs> you.